พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ว่านัตสันติป ร, รังสุขขังสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบไม่มีไม่มีความสงบอันใดที่จะเหนือกว่าความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบของใจการหาความสุข จึงควรหาความสุขจากการทำใจให้สงบความสุขทางร่างกายนี้ก็มีความจำเป็นแต่ก็มีขอบมีเขตเช่นความต้องการของร่างกายคืออะไรก็คือปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย ถ้ามีปัจจัยสี่กบก็จะได้ความสุขทางร่างกายสมบูรณ์เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสี่ในระดับไหนก็ตามจะเป็นปัจจัยสี่ของระดับขอทานปัจจัยสี่ระดับของชาวบ้านธรรมดาคนธรรมดาหรือร ะ, ระดับปัจจัยสี่ของมหาเศรษฐี ของพระราชามหากษัตริย์ผลก็คือความสุขทางร่างกายก็ได้เหมือนกันเช่นรับประทานอาหารมื้อละห้าสิบบาทมื้อละห้าร้อยบาทมื้อละห้าพันบาทมื้อละห้าหมื่นบา ท, 100, บา ท, 100, บาทผลที่ได้รับก็เหมือนกันคือได้ความอิ่มร่างกายหายจากความหิว ทำให้ร่างกายอยู่ต่อไปได้ไม่เจ็บไขยได้ป่วยเช่นเดียวกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มจะใส่เครื่องนุ่งห่มราคาเท่าไหร่ผลรับก็เท่ากันคือร่างกายมีเสื้อผ้าไว้สวมใส่ไว้ปกปิดเ อ, เอาไว้เยวะไว้ป้องกันอากาศและแมลงสัตว์กัดต่อยต่าง จะเป็นเสื้อผ้าราคาแพงๆหรือราคาถูกๆหรือจะเป็นเสื้อผ้าที่เขาทิ้งตามถังขยะถ้ายังเอามาสวมใส่ได้เสื้อผ้าเหล่านี้ก็ทําหน้าที่เหมือนกันถ้าอยากจะได้ความสุขมากกว่าที่เราได้รับจากทางร่างกายเราก็ต้องมาหาความสุขทางใจ ความสุขทางใจนี้ก็มีสองทางความสุขทางใจที่ทำให้เกิดทุกข์และความสุขทางใจที่ไม่มีทุกข์ความสุขทางใจที่มีทุกข์คืออะไรก็คือความสุขตามความอยากเวลาเราอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะเวลาเราได้เสบเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมา ถ้าเราไปเที่ยวกันไปดูมหาสุบบันเทิงไปร้องรำทําเพลงไปทําอะไรต่างๆผ่านทางตาหูจมูกเิ่นกายเราก็จะได้รับความสุขในขณะที่เรากระทาแต่หลังจากที่ทําเสร็จแล้วความสุขนั้นมันก็จะจางหายไปแล้วพอเราเกิดความอยากขึ้นมาใหม่เราก็ต้องไปหามาใหม่ แล้วถ้าเราไม่สามารถหามาได้เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือความสุขอีกรูปแบบหนึง่งที่เรียกว่าเป็นความสุขทางใจโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือหารูปเสียงกลิ่นรสผลพระมาเสพความสุขแบบนี้จะเสพก็ได้ไม่เสพก็ได้ ไม่มีปัญหาถ้าไม่ได้เสพก็ไม่มีปัญหาจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อมีความอยากจะเสพเพราะเมื่อเกิดความอยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาการหาความสุขแบบนี้จึงเสี่ยงต่อการมีความทุกข์เพราะว่าปัจจัยเสี่ยงมันเยอะเช่นรูปเสียงกลิ่นรสที่เราอยากจะเสพ มันก็ไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเช่นอยากจะกินทุเรียนแต่ไม่ใช่เป็นหน้าทุเรียนก็จะไม่ได้กินอยากจะดูภาพยนตร์ที่ยังไม่ฉายในโรงก็ไม่ได้ดูพอไม่ได้ดูก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือว่ามีทุเรียนแต่หมอห้ามไม่ให้รับประทาน เพราะเป็นเบาหวานมีน้ำตาลสูงรับประทานของหวานหวานแล้วจะทำให้โรคเบาหวานกำเริบทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากการรับประทานทุเรียนได้นี่คือสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราหาความสุข ตามความอยากต่างๆความอยากดูรูปเสียงเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดสะพานี้ท่านก็เรียกว่า ก, กามตันหากามก็แปลว่ากามคุณห้ากามคุณห้าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพาะถ้าเราอยากจะหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องพบกับความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเพราะว่า เวลาที่เราอยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพเพราะว่าสิ่งที่เราจะเสพมันหายไปหรือไม่อยู่กับเราแล้วหรือว่าเราไม่สามารถไปหาสิ่งที่เราอยากจะเสพได้หรือว่าตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเสพเกิดเกิดความช็อคุดขึ้นมาเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่สามารถ หาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดภพได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมามีความสุขชนิดที่สามนี้ที่เป็นความสุขที่ปลอดภัยเป็นความสุขที่ดีที่สุดด้า น, นเหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็คือความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบนี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบ แล้วได้นาเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ใดที่ได้ยินได้ฟังแล้วมีศรัทธาความเชื่อสามารถน้อมนาเอาไปปฏิบัติได้ก็จะได้พบกับความสุขชนิดที่สามนี้และเป็นความสุขที่จะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงความทุกข์ต่างๆนี้ที่ใจเคยสัมผัส จะหายไปหมดไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหากับจใจที่มีความสงบความทุกข์ที่เกิดจากความอยากในสิ่งต่างๆก็จะหายไปหมดเพราะความสงบนี้จะกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หายไปหมด ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภ oh ัณ <thank> ฑ <you> <noi> ์ก็จะหายไปความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะหายไปความอยากไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บุคคลนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะหายไปโดยอํานาจของความสงบถ้าไม่มีความ ถ้าความมีความสงบแล้วความอยากต่างๆมันก็จะถูกกาจัดไปหมดหายไปหมดแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาความสุขตลอดเวลาเป็นความสุขทย่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันและเป็นความสุขที่ถาวร เป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดไปจากจิตจากใจไม่เหมือนกับความสุขที่ได้รับจากทางร่างกายหรือความสุขที่ได้รับจากการกระทําตามความอยากต่างๆนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้านัตติสันติปรังสุขขังความสุขที่ยิ่งกว่าที่ดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบ ไม่มีถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็ควรที่จะตั้งเป้าหมายของการหาความสุขมาที่การทาใจของเราให้สงบเราก็ให้ความสำคัญต่อความสุขทางร่างกายเท่าที่จาเป็นร่างกายต้องการปัจจัยสี่เราก็หาปัจจัยสี่มาให้ ตามกำลังตามความสามารถของเราไม่จำเป็นที่จะต้องดิ้นรนทะเยอทะยานหาความสุขหาปัจจัยสี่ที่เหนือความสามารถของเราเพราะว่าผลที่ได้รับนี่มันเหมือนกันอาหารที่กินเข้าไปนี้ก็ทำให้ร่างกายอิ่มเหมือนกันเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ใช้ปกปิดป ก, ปกป้องร่างกายไม่ให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วย ยารักษาโรค ก, ก็เหมือนกันก็รักษาโรคให้หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บได้เหมือนกันที่อยู่อาศัยจะเป็นกระตอบหรือเป็นพระราชวังก็ทำหน้าที่ปกป้องป้องกันภัยป้องกันแดดป้องกันฝนให้กับร่างกายได้เหมือนกันนี่คือความสุขทางร่างกายที่พวกเราทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีกัน เพื่อที่เราจะได้มีร่างกายนี้มาหาความสุขทางใจส่วนความสุขที่ได้จากความการกระทำตามความอยากต่างๆนี้เป็นความสุขที่เราจะต้องเลิกหากันเพราะมันเป็นการหาความทุกข์เสียมากกว่าเพราะว่าเมื่อเรา ทำตามความอยากแล้วเราจะต้องทําไปได้เรื่อยเพราะความอยากนี้ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดจะหมดก็ต่อเมื่อเราไม่ทําตามความอยากถ้าเราตามความอยากวันนี้เราทําพวกนี้เราก็อยากจะทําอีกพอทําพุวกนี้แล้วมาเลยนี้ก็อยากจะทำอีกแล้วถ้าทําแล้วถ้าได้อย่างที่สิ่งที่เราอยากก็ก็เป็นความสุขเดี๋ยวเดียว แต่ถ้าเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้อยากทําด้วยเหตุผลที่เกิดจากทางร่างกายของเราไม่พร้อมไม่สมบูรณ์ก็ดีหรือกําลังทรัพย์ของเรามีไม่พอก็ดีหรือสิ่งที่เราอยากได้ไม่สามารถหามาได้ก็ดีความสุขที่เราอยากจะได้ก็ไม่มีและนอกจากนั้นยังมีความทุกข์ตามมาด้วย พอเราอยากอะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็จะมีความรู้สึกหงุดหงิดดำคาญใจไม่สบายใจเช่นคนที่ติดบุหรีติดสุราติดยาเสพติดติดอบายามุกต่างๆนี่จะเป็นคนที่จะต้องพบกับความทุกข์คนที่เสพสุราเป็นประจำพอวันไหนไม่ได้เสพก็จะเกิดความ ทุกข์ขึ้นมาคนที wow ah ่ส um ูบบุหรี่เป็นประจำเวลาไม่ได้สูบบุหรี่ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาคนที่เล่นการพนันเวลาที่ไม่ได้เล่นการพนันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาคนที่ชอบเที่ยวเต่ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่ไม่ได้เที่ยวเต่นี่คือความสุขที่เราจะต้อง ยุติกันอย่าไปหาความสุขแบบนี้เพราะเป็นการหาความทุกข์ความสุขที่ได้เป็นความสุขควันแบบควันไฟได้มาแล้วก็หายไปไม่ได้ทำให้ใจมีความอิ่มมีความพอแต่กลับทำให้มีความอยากความหิวความต้องการเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เราจะทำได้ก็ต่อเมื่อ เรามาสร้างความสงบทางใจกันถ้าเราไม่มีความสงบทางใจเราจะสู้กับอำนาจของความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจะบกลล้นกายไม่ได้ถ้าได้ก็ได้เป็น พ, พักๆเป็นครั้งเป็นคราวแต่ถ้าจะให้ได้อย่างท้าววอนนี่เราจะต้องมีความสุขทางใจ ถ้าเราขาดความสุขทางใจเราอาจจะทนฝืนกับความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายไปได้เป็นพักๆเป็นครัง้งเป็นคราวแต่พอมีความอยากประดังเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะทนไม่ได้เราก็จะต้องกลับไปหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายใหม่ แต่ถ้าเรามีความสุขทางใจเราสามารถสร้างความสุขทางใจให้มีเพิ่มมากขึ้นและรักษาให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆได้เราก็จะมีอำนาจต่อรองเราจะมีกำลังที่จะฝืนความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำกันก็คือ มาสร้างความสุขทางใจกันการสร้างความสุขทางใจนี้มันก็จะเป็นการหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปพร้อมๆกันด้วยเพราะความสุขทั้งสองรูปแบบนี้ เ, เป็นเหมือนข้าศึกศัตรูกันเป็นเหมือนเอสิ่งตรงกันข้ามกันเหมือนกับความมืดกับความสว่าง ถ้าที่ไหนมีความมืดที่นั่นก็จะไม่มีความสว่างถ้าที่ไหนมีความสว่างที่นั่นก็จะไม่มีความมืดถ้าที่ไหนมีการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่นั่นก็จะไม่มีการหาความสุขที่จะจากทางความสงบที่ไหนที่มีการหาความสุขจากความสงบที่นั่นก็จะไม่มีการหาความสุขจาก รูปเสียงกลิ่นรสผทพพะนี่คือความจริงของความสุขต่างๆที่พวกเรากำลังสัมผัสและกำลังหากันความสุขชนิดแรกคือความสุขเกี่ยวกับปัจจัยสี่นี้เป็นความสุขที่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องมีเพื่อที่จะให้ชีวิตอยู่ไปได้ไม่แรนแค้นไม่ลําบาก เราจะได้ใช้ร่างกายนี้มาหาความสุขที่แท้จริงต่อไปก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบด้วยการลดละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มาหาความสุขทางความสงบกันถ้าเราใช้เงิน ซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายกันเราก็เอาเงินนี้มาทําบุญทําทานกันแทนการทําบุญทํำทานก็จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบในระในระดับแรกเวลาที่เราฝืนความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมกูกเล่นกายแล้วเอามาซื้อสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ สิ่งที่ทำให้เกิดความสุขแก่ผู้อื่นเราก็จะได้รับความสุขใจขึ้นมาเพราะเราได้ลดความอยากที่จะใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆแล้วเอาเงินที่จะไปซื้อความสุขทางตาหูจมกูกเินกายนี้มาซื้อความสงบด้วยการเอามาทำบุญทำทานความสงบก็จะเกิดขึ้นในระดับหนึ่งเพราะความอยาก ที่เราไม่ไปทำนั้นมันถูกถูกตัดลงไปความอยากที่จะใช้เงินซื้อความสุขเช่นอยากจะซื้อกระเป๋าเห็นกระเป๋าสวยเห็นเสื้อผ้าสวยแล้วก็เปลี่ยนใจไม่เอาเอาเงินนี้ไปทำบุญดีกว่าพอเอาไปทำบุญนี้ความอยากซื้อกระเป๋านี้มันก็จะถูกตัดไปความอยากจะซื้อเสื้อผ้า สวยๆงามๆต่างๆก็จะถูกตัดไปแล้วก็เอาเงินนี้มาทำบุญเอามาให้ความสุขแก่ผู้อื่นการให้ความสุขแก่ผู้อื่นก็จะทำให้เกิดความสุขกลับคืนมาในใจของเราเวลาเราเห็นคนอื่นเ็ามีความสุขที่เกิดจากการกระทำของเราเราจะมีความสุขเนี่ยเช่นเราเอาเงินที่เราจะไปซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อผ้าซื้อของที่ไม่จำเป็นนี้ ไปซื้อสิ่งที่จำเป็นให้กับคนใครก็ได้คนที่เรารักเคารพ ก, ก็ได้เช่นวิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายหรือคนที่เราไม่รู้จักแต่เราสงสารเขาเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนให้ความช่วยเหลือกับเขาการกระทาเหล่านี้จะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาและเป็นการฝืนความอยากต้านความอยาก จะทำให้ความอยากนั้นอ่อนกำลังลงไปถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเราจะไม่ต้องเราจะไม่มีความอยากใช้เงินซื้อความสุขต่างๆแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินเอาไปทำบุญเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะการทำบุญนี้เวลาทำก็จะมีความสุขเวลาไม่ได้ทำก็จะไม่มีความทุกข์ไม่เหมือนกับการ หาความสุขทางตาหูจมูกนิ่นกายเวลาได้ทำก็มีความสุขแต่เวลาไม่ได้ทำก็จะมีความทุกข์พอเราไม่ต้องใช้เงินซื้อความสุขต่างๆเราก็ไม่ต้องไปทำหาทำงานห า, หาเงินหาทองถ้าจะหาก็หาเพียงเล็กน้อยหาพอต่อความต้องการของร่างกายคือหาปัจจัยสี่ เราก็จะมีเวลาเหลือมากเวลาที่เหลือนี้เราก็จะได้เอามาใช้กับการหาความสุขทางใจกันนี่ก็คือวิธีการที่เราจะลดการหาความอยากหาความสุขตามตามความอยากแล้วจะแล้วก็มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบ การทําบุญให้ทานนี้ก็จะทําให้ใจมีความสุขมีความสงบเป็นระดับแรกความสุขระดับที่สองก็เกิดจากการที่เราไม่ทําบาปกันพราะเวลาทําบาปก็เกิดจากการอยากคืออยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็ต้องไปทําบาปถึงจะได้มาเช่นไม่มีเงินที่จะไปเที่ยวก็ไปขโมยเงิน เพื่อที่จะได้มีเงินไปเที่ยวถ้าเราไม่ทำบาปเราก็จะตัดความอยากไม่มีเงินที่ไปเที่ยวก็ไม่เที่ยวแล้วกันแต่เราจะไม่ทำบาปเพราะเวลาเราทำบาปนี่มันทำให้ใจเราวุ่นทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราไม่สงบอันนี้ก็ระดับที่สองการไม่ทำบาปนี่จะป้องกันความวุ่นวายของใจ ที่เกิดจากการทำบาปและเป็นการสกัดความอยากที่จะทำที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกิืนกายด้วยการทำบาปนะเช่นศีลข้อ3เนี่ยการประพฤติผิดประเวณีอยากจะหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของตนอันนี้ทาไปแล้วจะทำให้ใจวุ่นวายมากกว่าจะทำให้ใจสงบ จะสงบก็เชื่อเดียวเดียวเชื่อขณะที่ได้ทำแต่พอหลังจากนั้นแล้วก็จะมีความวิตกกังวลแล้วถ้าเกิดมีผู้อื่นเขารู้ขึ้นมาก็จะทำให้ใจวุ่นวายขึ้นไปใหญ่เพราะจะต้องมีปัญหากับคู่ครองของตนนี่คือขั้นที่สองการหาความสงบจากการไม่ทำบาปคือรักษาศีลห้า ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาถ้าสามารถรักษาศี่ห้าได้ก็จะได้ความสงบระดับที่สองที่สูงกว่าที่มากกว่าความสุขระดับที่หนึ่งก็คือการความสุขที่ได้จากการทําบุญให้ทานแล้วถ้าเราอยากจะได้ความสุขระดับที่สที่สี่ เราก็ต้องขยับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือการรักษาศีลก็ต้องเพิ่มเป็นศีลแปเพราะการรักษาศีลแปนี้จะให้ละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคู่คร อ, องของตนหรือไม่ก็ตาม ไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีเวลาไ ม, ไม่ไม่มีเวลาไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีเหตุไม่มีผลการรับประทานอาหารนี้รับประทานได้และรับประทานแล้วไม่เกิดโทษได้ถ้ารับตามความต้องการของร่างกายแต่ถ้ารับประทานตามความอยากนี้จะเกิดโทษเพราะจะทําใหออ้หนึ่งทําให้ ใจต้องมากังวลวุ่นวายกับการหาอาหารมารับประทานแล้วก็จะเป็นนิวรคือเป็นอุปสรรคที่จะขวางกั้นในการทําใจให้สงบเวลารับประทานอาหารอิ่มมากๆร่างกายจะง่วงเหงาเหานอนและจะมีความเกียจคร้านจะไม่อยากจะนั่งสมาธิจะไม่อยากเดินจงกรมอยากจะนอนเสียมากกว่า อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ต้องการความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จะต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารรับประทานให้พอต่อความต้องการของร่างกายซึ่งรับประทานแบบนี้รับประทานวันละหนึ่งครั้งก็พอเพียงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายได้พิสูจน์แล้วว่าการรับประทานอาหารวันละหนึ่งครั้งนี้ทำให้ร่างกายนี้อยู่ได้ ร่างกายแข็งแรงสามารถเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินทุดงในป่าได้วันละหลายกิโลได้กันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็จะไม่มีปัญหาที่เกิดจากความเกลียดค้านปัญหาที่เกิดจากการง่วงเหงาหานอนถ้าคนกินมากๆอิ่มมากๆ ก, ก็จะอยากจะเสกกามกินอิ่มิมหมีพมันแล้วก็จะจะร่วมหลับนอน กับคนนั้นกับคนนี้แต่ถ้ารักษาศีลแปด ก, ก็ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไม่ได้รับประทานอาหารบ่อยครั้งก็ไม่ได้ให้รับประทานไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วอันนี้ก็เป็นการละการหาความสุขจากการรับประทานอาหารจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสของอาหารแล้วก็มา ละเว้นการหาความสุขจากการหาความสุขทางตาหูจมูกเน้อง่ายด้วยการไปดูไปฟังมหรสนบันเทิงต่างๆแล้วก็ละเว้นจากการหาความสุขจากการเสริมความสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอภาร์ด้วยการตกแต่งหน้าตาผมเ้าอะไรต่างๆ ให้วิจิตพิสดารขึ้นมาให้หน้าดูหน้าชมขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความสุขประเดียวปลดาวชั่วขณะที่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวได้แต่งหน้าทาปากได้ทำเเผาทำผมเดี๋ยวพอกลับมานอนมันก็หายไปหมดนะพอตื่นขึ้นมาก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งไปอันนี้เป็นความสุขปลอม เราต้องละเว้นเช่นเดียวกับการดูมหัศบรรยบันเทิงต่างๆหรือการร้องลําทำเพลงจัดงานเรี่ยงงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นความสุขเดี๋ยวๆถ้าเราละเว้นการหาความสุขเหล่านี้ได้เราก็จะมีเวลาที่จะมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบได้ เราก็จะได้มีเวลาเดินจงกรมมีเวลานั่งสมาธิแล้วพอเราเดินจงกรมนั่งสมาธิได้ใจก็จะสงบได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องละเว้นสิ่งสุดท้ายที่เราต้องละเว้นก็คือการหลับนอนมากจนเกินไปการหลับนอนนี้มีวิธมีการหลับนอนอยู่สองวิธีหลับนอนเพื่อร่างกาย หรือหลับนอนเพื่อกิเลสตัณหาความอยากถ้าหลับนอนเพื่อร่างกายนี้ร่างกายนอนประมาณสี่ห้าชั่วโมงนี้ก็จะตื่นขึ้นมาแล้วแต่ถ้านอนบนเตียงบนผูกหนาหนาบนเตียงใหญ่ๆเวลาร่างกายตื่นขึ้นมาแล้วกิเลสตัณหาจะไม่อยากจะตื่นตามอยากจะนอนต่อเพราะมันแสนจะสบายนอนบนฟูกหนาหนานี่มันนิ่มมันหน้านอน วิธีแก้ก็คืออย่าไปนอนบนผูกนั้นนะให้นอนบนพื้นแข็งแข็งเพราะว่าถ้านอนบนพื้นแข็งแข็งหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงแล้วก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะพื้นมันแข็งนอนไม่สบายก็จะได้ลุกขึ้นมาทำการเจริญจิตตภาวนาทำใจให้สงบได้นี่คือความสุขระดับที่สาม คือการทําใจให้สงบจะต้องมีเวลาจะต้องตัดเวลาที่ใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้วกายลงไปด้วยการรักษาศีลแปดแล้วก็ต้องไปหาที่ที่สงบสงัดที่ห่างไกลจากเสียงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่จะมาลบกวนใจห่างไกลจากบุคคลต่างๆที่จะมาคอยชวนมาให้ไป ทำกิจกรรมอะไรต่างๆทำต า, ตามตามความอยากต้องไปอยู่ที่ไม่มีคนมาคอยรบกวนใจก็ต้องไปหาที่ที่ถ้าไปที่วัดได้วัดที่สงบก็ไปถ้าไปไม่ได้ถ้าเรามีบ้านหรือมีห้องของเราอยู่ตามลำพังโดยที่ไม่มีคนอื่นมารบกวนมา มาเชือ่อมาชวนมาอะไรก็บเราก็อยู่ตร ง, ตร ง, ตรงนั้นไปก็ได้คือขอให้เป็นที่ที่เรามีอิสระภาพที่จะอยู่ตามลำพังที่จะไม่มีใครมารบกวนใจและไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาคอยยั่วยวนกวนใจเพราะถ้าเราไปอยู่ใกล้ที่สถานที่ที่มีรูปเสียงกลิ่นรสนี่พอเราไปได้สัมผสัสเข้ามันก็จะทำให้ความอยากเกิดขึ้นมา แล้วจะทำให้เรายากลาบากต่อการทำใจให้สงบเราจึงต้องไปปลีกวิเวกกันไปหาที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นรสที่คอยรบกวนใจห่างไกลจากบุคคลห่างไกลจากเหตุการณ์ต่างๆไปแล้วก็ควรที่จะตัดการสื่อสารกับโลกภายนอกตัดปิดโทรศัพท์มือถือ ไม่รับข่าวสารไม่รับรู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้เราจะรู้ไม่รู้มันก็มันก็เป็นของมันไปมันไม่มีมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเพราะเราไปรับรู้หรือไม่รับรู้แลวการรับรู้หรือไม่รับรู้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปมากมว่านัสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจริงๆก็คือการที่เราจะทำใจของเราให้สงบหรือไม่สงบี้ต่างหากถ้าเราสามารถทาใจให้สงบได้ เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากชีวิตที่มีความทุกข์ลำทดใจให้กลายเป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขความสบายใจอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญคือมาเปลี่ยนชีวิตของเราด้วยการพลิกใจของเราจากใจที่หิวโหวยด้วยตันหาความอยากต่างๆมาเป็นใจที่ปราศจากตันหามามาเป็นใจที่สงบ เป็นใจที่มีความอิ่มมีความพอจะดีกว่าอันนี้ก็เกิดเป็นความสุขระดับที่สามที่เราควรจะขยับขึ้นไปตามกําลังของเราขั้นที่หนึ่งก็ทําบุญทําทานตัดการใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆด้วยการเอาเงินทองนี้ไปทําบุญทําทานแทนแล้วก็ตัดความวุ่นวายใจจากการทําบาปหยุดการทําบาป แล้วก็มาลดละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการรักษาศีลแปดหรือถ้าจากจะทำอย่างถาวรถ้าเป็นผู้ชายก็ไปบวชเป็นพระเลยก็ได้ถ้าเป็นผู้หญิงก็บวชเป็นทีแล้วถือศีลแปดศีลสิบไปตลอดชีวิตเลยก็ได้ก็เหมือนกันศีลของพระถึงแม้ว่าจะมีมากเป็น ร้อยร้อยข้อแต่แก่นของศีลก็มีเท่ากันคือศีลแปนี่แหละศีลแปดศีลสิบพระนี้ก่อนจะบวชนี้จะต้องอาลาธนาศีลสิบก่อนต้องบวชเป็นเนนก่อนเนนนี่จะถือศีลสิบศีลสิบกับศีลแปกก็คล้ายกันศีลแปนี้คือเขาชั่จริงเป็นศีลเก้าแต่เขาเอาข้อข้อที่เก้ามารวมกับข้อที่ แปก็เลยมีแปดข้อสินสินข้อที่เก้าคืออะไรก็คือการไม่จับต้องเงินทองผู้ที่ถือศินสิบนี้จะไม่จับต้องเงินทองเช่นสมณะเองพระภิกษุนี้ห้ามจับต้องเงินทองมีเงินทองไว้ใช้ซื้อสิ่งที่จําเป็นได้แต่ต้องไม่ครอบครองเอาไว้ต้องฝากให้ผู้อื่นเป็นผู้ดูแลรักษาเวลาต้องการเงินทองก็บอกให้เขาไปจัด ไปจับซื้อสิ่งที่ต้องการได้แต่ไม่ให้ต่ไม่ให้จับต้องไม่ให้ครอบครองเงินทองไม่พกพาไปไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนกับคารวาสญาติโยมที่เวลาออกจากบ้านนี้สิ่งที่จะต้องมีพกพาไปก็คือเงินทองเพราะว่าถ้าไม่มีเงินทองนี้ก็จะไม่สามารถไปไหนมาไหนได้จะขึ้นรถก็ต้องมีจ่ายค่ารถจะซื้อข้าวซื้อของก็ต้องมี เงินทองซื้อข้าวซื้อของแต่สําหรับนักบวชนี้ไม่ไม่จำเป็นจะต้องทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่านักบวชมีผู้ทำหน้าที่เหล่านี้แทนให้ปัจจัยสี่ก็มีศรัทธาญาติโยมคอยนำเอามาบริจากอยู่เรื่อยๆจึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองยกเว้นจต้องซื้อสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่ขาดแคลนในบางครั้งบางเวลา นี่คือเรื่องของศีลของผู้ที่จะปฏิบัติธรรมกันผู้ที่จะหาความสุขจากการทําใจให้สงบจะต้องรักษาศีลแปดศีลสิบกันเพื่อที่จะได้ลดละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแล้วจะได้มีเวลามาสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบ ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้ด้วยการมีสติคอยควบคุมความคิดต่างๆคอยระงับความคิดอารมณ์ต่างๆให้สงบตัวเราสตินี้ก็เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์เวลาที่เราต้องการหยุดรถยนต์นี้เราต้องมีเบรกถ้าเราไม่มีเบรกรถยนต์ก็จะไม่หยุดได้ฉะนั้ความคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆ อันนี้ก็จะไม่หยุดถ้าไม่มีสติถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆหยุดอารมณ์ต่างๆได้พอความคิดพรุงแต่งอารมณ์ต่างๆสงบตัวลงไปใจก็เกิดความสงบขึ้นมาพอเกิดความสงบก็จะเกิดความสุขที่เกิดจากความสงบตามมาทันทีจึงจาเป็นที่จะต้องทุ่มเทเวลาให้กับการเจริญสติ เพราะผู้ปฏิบัติเริ่มต้นส่วนใหญ่นี้จะมีสติไม่มากมีสติพอที่จะยับยั้งการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากการรักษาศีลแปดได้แต่ยังไม่สามารถยับยั้งความคิดที่อยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ถึงแม้ว่าจะถือศีลแปดอยู่แต่ใจก็ยังอยากที่จะไปหาความสุขอยู่เพียงแต่ว่ามีความละอายใจ ว่าตอนนี้เรากำลังถือศีลอยู่เรากำลังถือข้อห้ามต่างๆอยู่ถึงแม้ว่าใจของเราจะคิดอยากเราก็จะพยายามไม่ทำตามมันถ้าเราจะต้องทำเราก็จะต้องลาสิขาไปก่อนขอยุติการหาความขอยุติการรักษาศีลแปดศีลสิบไว้ชั่วคราวก่อนแล้วค่อยออกไปทำตามความอยากต่างๆแต่ถ้าเรามีสติ เราจะสามารถหยุดความคิดอยากในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ถ้าเราหยุดมันได้แล้วความอยากก็จะหายไปความเครียดต่างๆที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปใจก็จะรู้สึกเบา อ, อกเบาใจสบายใจเวลามีความอยากนี่มันมีความรู้สึกตึงเครียดรู้สึกหงดงิดรู้สึกลำคาญใจรู้สึกว้าวเวรู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเหงา อันนี้มันเป็นผลที่เกิดจากความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่พอเราจเจริญสติสามารถหยุดความคิดอยากในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ใจก็จะสงบลงอารมณ์ต่างๆที่เกิดจากความอยากนี้ก็จะหายไปอารมณ์เครียด อ, อึดตัดลำคาญใจหงดหยิดเศร้าซ้อยง้อยเหงาว้วาเว่ จะหายไปหมดเลยหายไปเหมือนกับเวลาที่เราไปทําตามความอยากแต่ต่างกันที่ว่าเราไม่ต้องทําตามความอยากถ้าเราทําตามความอยากมันก็หายไปเช่นเรามีความรู้สึกหงุดหงิดอึอัด ว, ว้าเหวเศร้าซ้อยง่อยแงาโทรไปหาเพื่อนชวนเพื่อนออกไปเที่ยวไปกินไปดื่มกันอารมณ์เหล่านี้ก็จะหายไปหมดเลยแต่มันจะหายไปชั่วขณะที่เราไปเท่านั้นเองพอเรากลับมาอยู่บ้านคนเดียว เดี๋ยวอารมณ์นี้ก็กลับคืนขึ้นมาใหม่แล้วเราก็ต้องออกไปใหม่ออกไปกี่รอบกี่ครั้งมันก็จะไม่หายไปแล้วจะต้องเหนื่อยแล้วจะต้องมีวันหนึ่งที่จะไม่สามารถออกไปได้เช่นโทรไปหาเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนก็ไม่ว่างหรืออยากจะออกไปเงินก็ไม่มีหรือมีเงินมีเพื่อนแต่ร่างกายไม่สบายอันนี้ก็จะไปไม่ได้พอไปไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็ อ, อารมณ์หกรธขี้ดมขนานใจก็ยังจะ ค้างอยู่ในใจอยู่นั่นเองแต่ถ้าเรามีสตินี้เราไม่ต้องพึ่งเพื่อนไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งเงินทองเพียงจะใช้สติระงับความคิดอยากต่างๆอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากความคิดความอยากนี้มันก็จะหายไปทันทีแล้วถ้าเราทำได้ครั้งหนึ่งแล้วต่อไปเราก็จะทำไปได้เรื่อยๆทำไปจนกระทั่งต่อไปจะไม่มีความอยากโผล ข, ขึ้นมาเลยนี่คือประโยชน์ ของการแก้ปัญหาตามหลักของพระพุทธเจ้าอย่าไปแก้ตามแก้ปัญหาตามหลักที่เราก็ะทำกันอยู่ทุกวันนี้การแก้ปัญหาของพวกเราทุกวันนี้เราทำด้วยการทำตามความอยากกันเวลาเกิดความอยากแล้วมีอารมณ์งุดหยิดลำคาใจไม่สบายใจเราก็ไปทำตามสิ่งที่เราอยากกันพอเราได้ทำปั๊บอารมณ์เหล่านั้นมันก็หายไปชั่วคราวแต่พอเรากลับมาบ้าน กลับมาอยู่คนเดียวมาอยู่เฉยๆเดี๋ยวอารมณ์เหล่านั้นก็กลับคืนขึ้นมาใหม่ความอยากก็เกิดขึ้นขึ้นมาใหม่เราก็ต้องออกไปอีกอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาเพราะมันเป็นการเตะปัญหาไว้ไปข้างหน้าของเราก็เรียกเหมือนเตะลูกฟุตบอลไปข้างหน้าของเราเดี๋ยวเราเดินไปก็ไปเจอมันอีกวิธีที่จะแก้ต้องแก้แบบที่พระพุทธเจ้าสอนให้แก้ สอนด้วยการใช้สติในเบื้องต้นก่อนใช้สติหยุดมันก่อนหยุดความคิดปรุงแต่งแล้วจะสามารถหยุดอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆภายในใจได้แล้วจะสร้างอารมณ์ที่ดีขึ้นมาแทนที่ได้เคยความเบา อ, อกเบาใจความสบายใจอันนี้เป็นขั้นต้นที่เรียกว่าการจเจริญสติ ถ้าเราใช้สติหยุดความคิดตุงแต่งได้จิตสงบตัวลงล้วก็เรียกว่าสมาธิจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิจิตก็จะสงบพอจิตสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาเพียงแต่ว่าสมาธินี้ก็ยังเป็นของที่ไม่ถาวรเพราะเราไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาเราอยู่ในสมาธิได้พักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องถอนออกมา เบื้องต้นนี้จะอยู่ได้ไม่นานครั้งแรกนี้อาจจะเพียงแค่ น, นกกระจอกกินน้ำสงบเข้าไปปุ๊บแล้วก็ถอนออกมาทันทีแต่ความรู้สึกที่ได้สัมผัสนี้มันจะพาทับใจจะทำให้เกิดมีกำลังจิตกำลังใจที่อยากจะทำใจให้สงบให้มากไปกว่า น, นี้แล้วนั่นแ่ะจะมาเป็นที่มาว่าของการจะเริ่มปฏิบัติอย่างจริงจัง ถ้ายังไม่ได้สัมผัสกับความสงบี้การปฏิบัตินี่ยังเป็นไปแบบถูกันไปไถกันมาดึงกันไปดึงกันมาแต่ถ้าได้สัมผัสกับความสงบแม้แต่เพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีพลังใจที่จะผลักดันให้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการหาความสงบกันให้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพอเรามีความสงบครั้งแรกแล้วเราก็จะติดใจ และ้เราก็จะเพิ่มเวลาของการหาความสงบให้มากขึ้นลดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้น้อยลงไปลดการหาเงินหาทองให้น้อยลงไปเพื่อที่จะได้มีเวลามาหาความสงบทางใจและพอเราได้ความสงบทางใจที่เกิดจากสมาธิแล้วเราก็อยากจะให้มันสงบไปตลอดไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่อยู่ในสมาธิ วิธีที่รักษาความสงบที่เราได้จากสมาธินี้ให้อยู่ต่อไปโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็คือเราต้องใช้ปัญญาปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ทรงคนพบว่าความสงบที่เราได้จากสมาธินั้นมันจะถูกทำลายไปด้วยความด้วยการกระทำตามความอยากต่างๆดังนั้นเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมานี้เราต้อง เอาป e ัญญาของพระเจ้ามาสอนบอกว่าอย่าไปทําตามความอยากเพราะการทําตามความอยากนี้จะทําลายความความสุขที่ได้จากความสงบไปและความสุขที่ได้ได้จากการทําตามความอยากนี้มันก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้พอเรามีปัญญาอย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะฝืนไม่ทําตามความอยากได้ต่อสู้กับความอยากได้แต่เราต้องมีความสุขทาง ความสงบก่อนถ้าเราไม่มีความสุขจากความสงบนี้เราจะไม่มีกําลังพอเกิดความอยากวั๊บก็ต้องไปทําตามความอยากทันทีโทรศัพท์ชวนเพื่อนทันทีเจจองที่พักจองที่นั่งจองร้านอาหารจองอะไรกันทันทีแต่ถ้าเรามีความสงบเราไปทําไมไปเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก็เหมือนเดิมสู้นั่งสมาธิต่อไปไม่ดีกว่านะสู้ไม่ทําใจให้สงบไม่ดีกว่านะ สู้อย่าไปทำตามความอยากไม่ดีกว่าเลยเพียงไม่ทำตามความอยากก็จะสามารถรักษาความสงบที่ได้จากสมาธิกับคืนมาแล้วอันนี้พอคิดอย่างนี้ได้ด้วยสติด้วยปัญญาต่อไปก็จะสามารถกำจัดตันหาความอยากต่างๆที่จะมาคอยทำลายความสุขที่ได้จากความสงบนี้ได้แล้วต่อไปเราไม่ต้องทำอะไรเราไม่ต้องรักษาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ ถ้าเราสามารถทำลายตัวที่มาทำลายความความสงบคือความอยากต่างๆนี้ได้แล้วต่อไปเราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเจริญสติไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเพราะเมื่อจิตสงบแล้วมันก็จะสงบอย่างถาวรเพราะไม่มีตัวที่จะมาทำลายความสงบนี้ตัวที่มาทำลายความสงบนี้ก็คือความอยากต่างๆคือกามตันหาภาวะตัหานิพพานตันหานี้เอง หน้าตัวที่จะมาหยุดตัณหาทั้งสามนี้ก็คือปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาที่จะบอกให้เรารู้ว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการทำลายความสุขไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขเพราะความสุขที่ได้เป็นความสุขที่สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้แล้วก็เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวแล้วมันจะแปลงจากความสุขกลายเป็นความทุกข์ตามมาต่อไปนี่ต้องเห็นตรงนี้ต้องเห็นว่ามันเป็นทุก ต้องเห็นว่าการกระทำตามความอยากต่างๆนี้เป็นการเดินเข้าสู่กองทุกไม่ใช่เดินเข้าสู่กองสุขเป็นการเดินออกจากกองสุขคือความสงบที่ได้คือความสุขที่ได้จากความสงบพอเราได้สมาธิได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วพอออกจากสมาธิมาเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาอยากจะไปหาความสุขจากการดื่มหรือจากการไปรับประทานจากการไปดูไปฟัง ถ้าเราไปทําปับ๊บเราก็จะไปทําลายความสงบความสุขที่ได้จากความสงบทันทีถ้าเราไม่ไปทําเราก็จะสามารถรักษาความสุขที่เกิดจากความสงบไว้ได้ต่อไปนี่คือ ข, ขั้นที่4คือการรักษาความความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ให้อยู่คงอยู่ไปตลอดไม่มีวันจืดไม่มีวันจางไม่มีวันหมดสิ้นไปต้องรักษาด้วยปัญญา ปัญญาที่เห็นว่าการทำตามความอยากเป็นความทุกข์เพราะสิ่งที่ได้มาเป็นความสุขเดี๋ยวเดีย ว, วเป็นความสุขชั่วคราวเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นความสุขที่เราไม่สามารถเก็บไว้เป็นของเราได้ได้มาแล้วก็หมดไปเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราความสุขที่เป็นของเราที่จะเก็บไว้กับกับเราได้และจะอยู่กับเราไปตลอดได้ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เอง นี่คือปัญญาที่พระเจ้าได้ส่งค้นพบไม่มีใครรู้ความจริงอันนี้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสั่งสอนพวกเราก็ยังจะวิ่งหาความสุขจากการกระทำตามความอยากต่างๆอยู่ต่อไปจะไม่รู้ว่าเป็นการหาความทุกข์กันแล้วในบ้านปลายของชีวิตเป็นอย่างไรในบ้านปลายของชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ ทุกเพราะว่าไม่สามารถหาความสุขทางตามความอยากได้เพราะร่างกายไม่สามารถตอบสนองความต้องการของความอยากได้นั่นเองนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะแยกแยะ แ, และทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างความสุขทางร่างกายคือเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสีนี้เราต้องมีกันเราต้องทํากันแต่เราไม่ต้องมีแบบ วิจิตพิสดาหรือหลาเพราะว่ามันได้ผลเท่ากันกินแบบขอทานกินแบบพระราชาม า, ากระสัดก็อิ่มเหมือนกันพระพุทธเจ้ากินมาทั้งสองรูปแบบกินแบบพระราชาก็เคยกินแล้วพอมาบวชก็กินแบบขอทานท่านก็เห็นว่ามันอิ่มเหมือนกันอยู่ได้เหมือนกันเราไม่ต้องไปดินน้นรนไม่ต้องไปเสียเวลามากต่อการหาปัจจัยสี่มา ดูแลรักษาร่างกายของพวกเราที่ในหลวงทรงตัดว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออันนี้แหละถ้าใครมีปัจจัยสี่แล้วก็ถือว่าพอแล้วอย่าไปดิ้นรนตามตันหาความอยากลยเพราะจะเป็นการดิ้นเข้าหาความทุกข์มากกว่าที่จะไปหาความสุขถ้าอยากจะได้ความสุขต้องดิ้นออกจากตันหาความอยากดิ้นเข้าสู่การทำบุญทาทานสู่การรักษาศีลสู่การภาวนา ส ม, มาถาภาวานาและวิปัสสนาภาวานานี่แหละคือวิธีที่จะทําให้เราได้รับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรต่อไปจึงขอให้พวกเราจงมีความแนว่วแน่มั่นใจต่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าขอให้ยึดแนวการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกมาเป็นแบบฉบับของการแนวทางของการปฏิบัติของพวกเราเถิด แล้วรับรองได้ว่าผลที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะทาวไรวาหาปุราปาริปุระติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเเอุเรนตุสังกปาจันโทปันาฬโสยทาเมณิโชติระโสยทาสัพพิโยวิวะจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคายุโกภะอภิวาธนสีลิศะนิจังวุธาปจายจโนจตารโธรรมาวทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรม ท่านผู้ใดมีความสงสัยอยากจะถามปัญหาธรรมข้อใดข้อหนึ่งก็ขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วก็จะขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหาถ้าใครมีอะไรยกมือได้จะส่งไม่ไปให้ถ้าไม่มีเดี๋ยวก็อ่ะไปทั้งหมช่วยกรุณาส่งให้พูดใกล้ๆไม่หน่อยจะได้ ป ก, กร า, ารรอสการหลวงพ่อคะ่ะคือวันนี้ปฏิบัตินะคะระหว่างที่เดินจงกรมอยู่ะคะ่ะ เ, เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่เรามีอาการรู้สึกว่าปวดปวดหัวเมัอนมืมันมีอาการดันขึ้นมาเนี่ยคะ่ะเป็นเพราะเหตุใดเจ้าคะก็มันมีสองสาเหตุเหตุทางร่างกายก็ต้องหาหมอหายารักษาไป ถ้าเป็นเหตุทางใจคือเวลาปฏิบัตินี้กิเลสนันมกักจะต่อต้าน <dalam S 1> มันก็จะสร้างความรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาได้ถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องอุปทานเจตสร้างขึ้นมาแล้วก็อย่าไปสนใจมันออถ้าเราเลิกปฏิบัติพอเรามานั่งกินขนมมันหายก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสไปก็ อ, อีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าสติเราไม่ทันหรือเปล่าเจ้าคะหลวงพ่อเราไม่สามารถเห็นสิ่งที่เราคิดอยู่ในในในสมองของเราได้เด็กๆมันยังทางานอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆมันยังทำงานอยู่แต่เราเหมือนกับเพ่งว่าให้มันเบาให้มันสบายให้มันโปร่งไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยต่อต้านกันใช่มันชอบคิดมันชอบค่าทีฉันก็เลยโยมก็เลยวางแล้วก็เดินต่อเดียมันก็ค่อยๆ กำหนดดูมาแล้วมันก็จะหายไปเจ้าค่ะใช่สร้างสติขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองค่ะค่ะกรรมนวัตสการขอบพ ร, ระคุณเจ้าค่ะช่วยส่สงไปทางนี้หน่อยคำถามจากทางบ้านจากคุณโจ๊กจากรอบที่แล้วที่ถามเรื่องไม่สงบเพราะสติไม่มีกำลังตอนนี้ก็เลยร่วมอดข้าวเย็น แต่จะหยุดก่อนวันพระสองวันเพราะกลัวใจจะประคองไม่ไหวเริ่มนั่งสมาธิก็มีความสงบมีอาการเบาๆเหมือนหมุนบางทีก็เหมือนจะหงายหลังบ้างแต่นั่งไปแล้วจิตมีอาการวางเฉยเป็นอุเบขาและสติก็ดูที่จิตและลมหายใจก็เป็นอาการบอกไม่ถูกแต่สงบออกจากสมาธิก็สงบ เลยได้ฟังเทศเกี่ยวกับที่มีคนถามเรื่องอัปนาสมาธิและอุปจารสมาธิคือแบบที่กระผมเป็นอยู่คืออัปนาสมาธิหรือเปล่าครับแต่ที่เขาว่าลมหายใจมันขาดคือผมไม่ขาดครับรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆรอบตัวยังมีแต่จิตไม่ได้สนใจมีความรู้สึกเวทนาเล็กน้อยแ ต, แต่ถ้าไม่สงบเท่านี้ก็จะลาคาญ ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะให้หน่อยครับว่ากระผมนั้นทำไปถึงไหนแล้วและจะทำยังไงต่อถ้าจะให้ดีกว่านี้ครับก็ยังไม่ได้สงบเต็มร้อยถ้าเป็นเหมือนพระจัจารย์ก็ยังไม่เต็มดวงก็ก็ต้องพยายามทำต่อไปพยายามามีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งต่อไปถ้าเราใช้พุทธโธก็อยู่กับพุทธโธไป ถ้าเราใช้ลมหายใจก็ดูลมไปจนกว่าลมมันจะขาดหายไปแล้วจิตรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างอันนั้นถึงจะเรียกว่าสงบอย่างเต็มที่แต่ความสงบแบบเต็มที่ก็มีสองลักษณะแบบรูปเสียงกลิ่นลดหายไปหรือแบบที่รูปเสียงกลิ่นลดยังมีอยู่แต่ใจไม่วุ่นวายไม่ไปวิตกไม่ไปกังวลไม่มีความรู้สึกปฏิกิริยาต่อต้านกับ รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่ยังได้สัมผัสรับรู้อยู่ใจนิ่งสงบสัตว์แต่ว่ารู้ไปกับมันอันนี้ก็ใช้ได้ขอความกรุณาอย่าไปกังวลกับชื่อของมันมากนะว่ามันถึงตรงนี้มันมีชื่อว่าอะไรขอให้ดูผลคือว่าใจเราเป็นอุเบกขาหรือไม่ใจเราเย็นใจเราสบายปราศจากความโลภความอยากต่างๆหรือไม่ให้ดูตรงนั้นก็แล้วกันคาถามจากคุณแม็ค เวลาคุยกับเพื่อนต่างศาสนาแล้วเราจะอธิบายให้เขาฟังว่าหลักและแกนแท้ของศาสนาพุทธคืออะไรอะไรที่ทำให้ต้องไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกอย่างไรดีครับก็ว่าหลักของศาสนาคือคือสอนให้เรามีความสงบทามใจนี้เองอันนี้คือหลักของของคำสอนของพระเจ้าทาใจให้สงบด้วยการระ ง, งับความอยากต่าง แล้วความอยากนี้ทําให้ใจไม่สงบแล้วความอยากนี้จะทําให้ใจไปเกิดใหม่คําถามจากคุณจรูนข้อแรกของกินที่ไหว้เจ้าวันตรจีนแล้วนํามาใส่บาตรได้ไหมครับได้ไม่เสียหายตรงไห น, นถ้ามันเอมันมันก็เป็นอาหารเหมือนเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะว่าเวลาไปไหว้เจ้าแล้วเจ้ามากัดมาแทะมากินตรงไห น, น <laughs> เพียงแต่ความรู้สึกของเราว่าเราเอาไปให้เจ้าแล้วแล้วเรามาให้พระก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องความจริงการไปไหว้เจ้านี้เป็นการไปเล่นลิเกไปเล่นยิวไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่เอาของไปตั้งจุดทูบเทียนสามดอกแล้วก็บอกว่าขอให้เจ้าไหว้ให้เจ้าไปเจ้าอยู่หรือไม่อยู่มีหรือไม่มีเราก็ไม่รู้แล้ ถ้าพูดแต่เอามาใส่บาตรถวายพระได้ไหมได้พระไม่รู้ใส่บาตรไปพระเห็นท่านชอบชันกับชันนะของท่านไปไม่มีปัญหาอะไรนะข้อ2ขอให้หลวงพ่ออธิบายถึงการทำสี่ห้าให้บริสุทธิ์ครับก็รักษามันงดิเวลาอยากจะฆ่าสัตว์ก็อย่าไปฆ่าเวลาอยากจะลักทรัพย์ก็อย่าไปลักทรัพย์เวลาอยากจะเพิกเพิผิดประเวณีก็อย่าไปประพฤติผิดประเวณีเวลาจะพูดปดก็อย่าพูดปด เวลาจะดื่มสุราก็อย่าดืม่ม ก, ก, ก็ง่ายๆแค่นี้ก็อยากไปทํามันเท่านั้นเองคําถามจากคุณสมิธการเดินจงกรมหากรู้สึกจิตรวมเป็นสมาธิควรเดินต่อหรือไปนั่งสมาธิแทนครับได้ทางนั้นถ้าถ้าสงบแล้วก็ใช้สติประครับประคองความสงบนั้นจะอยู่ในเอเรยาบทไหนก็ได้จะเดินต่อไปก็ได้จะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าอย่า เพออย่าปล่อยสติอย่าปล่อยให้จิตเริ่มคิดปรุงแต่งเพราะถ้าเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วเดี๋ยวหายหมดเช่นดีอกดีใจโอ้ยเราได้ความสงบอยากจะให้มันอยู่ไปนานๆคิดไปใหญ่ความสงบก็เลยจะหายไปพอมันสงบแล้วก็ใช้ปะสติประครับประคองให้สักแต่ว่ารู้ไปอย่าคิดปรุงแต่งแล้วมันก็จะอยู่ไปได้นานมันจะหายไปก็ต่อเมื่อเกิดความคิดปรุงแต่งเกิดความอยากขึ้นมา เ้าเราไปทําตามความอยากแล้วความสงบนั่นก็จะหายไปคําถามจากคุณสุกเล็กๆที่ปลายเขาอนาคตตั้งใจจะออกบวชแต่รู้สึกว่าตัวเองมีนิสัยมาทางด้านสมณะน้อยมากมีปัญหาในเรื่องการนอนมากหากนอนน้อยกว่าหกชั่วโมงจะมีปัญหากับการตื่นพอตื่นมาแล้วก็จะฟุ้งซ่านรู้สึกท้อแท้อ่อนแอมาก อยากจะขออุบายในการฝึกฝนขัดเกลารแก้ไขเรื่องการนอนกับพระอาจารย์ครับก็ให้กินน้อยๆลองอดอาหารสักวันดูแล้วจะนอนไม่หลับตะไม่อยากจะนอนเพราะมันจะคิดถึงอาหารอยากจะกินอยู่เรื่อยๆถ้าอยากจะนอนน้อยๆก็ต้องกินน้อยๆถ้ากินมากมันก็จะนอนมากมันเป็นธรรมชาติของร่างกายเพราะว่ามันกินอิ่มแล้วมันก็ต้องย่อยอาหาร มันก็ต้องใช้เวลาย่อยเวลานอนนี่มันก็ ย, ย่อยๆได้สบา ย, ยางั้นก็ต้องหัดถือศีลแปดไปก่อนในเบื้องต้นถ้าเราไม่มีนิสัยที่จะเป็นสมณะก็ฝึกถือนิสัยศีลแปดอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเริ่มไปจากอาทิตย์ละหนึ่งครั้งไปก่อนเอาวันที่สะดวกถ้าวันพระไม่ตรงกับวันที่เราสะดวกก็ถือว่าวันสะดวกก็ได้สมัยนี้เราอาจจะสะดวกช่วงเสาร์อาทิตย์ว่าเราไม่ต้องไปทํางานทําการ แต่วันพระนี่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามปฏิทินทางจันทรคติมันไม่ได้อยู่ที่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ไปเรื่อยๆแต่วันหยุดของเราวันสะดวกของเรามันตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็เลือกวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันรักษาศีลของเราไปเริ่มฝึกจากการถือศีลแปดไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแล้วขั้นต่อมาถ้ายังง่วงอยู่ก็กินให้น้อยลงลดปริมาณอาหารลงสักครึ่งหนึ่ง เช่นถ้ากินสองมือมือเช้ากับมือกลางวันก็เอามือเดียวถ้ามือเดียวยังรู้สึกง่วงอยู่ก็ลดอาหารที่กินในมือเดียวลงไปสักครึ่งหนึ่งลดมันไปเรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าต่อไปการอยากจะนอนนี้มันจะหายไปและหากจะออกบวชแล้วอยู่ในเพศสมณะไปเรื่อยๆการท่องปาติโมกให้ได้เป็นสิ่งจำเป็นหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่เป็นอ่าเป็น เป็นข้อวัดพิเศษถ้าใครสามารถท่องปฏิโมกได้นี้จะได้ประโยชน์มากเพราะว่าจะต้องมีสติมากถึงจะสามารถท่องปฏิโมกได้เพราะมันเป็นพระวินยัยศินรี่2ิข้อของพระการที่จะจดจำทั้ง227้อ็ข้อและท่องให้อยู่ในระยะเวลาอัน อ, อันไม่อันพอควรคือประมาณ40นาทีได้นี้จะต้องใช้สติควบคุมใจ ให้ท่องให้คิดอยู่เรื่อยๆให้จาให้ได้การบังคับให้ท่องให้คิดอยู่นี้ก็เป็นการฝึกสติภายในตัวจะทำให้เวลานั่งสมาธินี้จิตจะสงบได้คำถามจากคุณเจจุงก่อนทำสมาธิเราจําเป็นต้องสวดมนต์ก่อนไหมคะการทาการทำสมาธินี้ก็มีหลายรูปแบบเช่นนั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วดูลมหายใจเข้าหรือ บ, บริกรรมพุโทโธ การสวดมนต์นี้ก็เป็นการทำสมาธิอีกรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราว่าเราจะพอใจที่จะทำในรูปแบบไหนถ้าเรายังต้องการที่จะสวดก่อนเพราะว่าบางทีเรานั่งเน้วมันนั่งไม่ได้แสดงว่าจิตเรายังฟุ้งมากเราก็ต้องใช้การสวดมนต์เป็นการลดระดับความฟุ้งซ่านให้น้อยลงไปก่อนพอระดับความฟุ้งซ่านเบา ล, ลงเราก็จะสามารถนั่งดูลมหรือบริกรรมพุทโธได้เราก็ค่อยทาต่อไป แต่ถ้าจิตเราไม่ฟุง้งซ่านเราพอนั่งปับ๊บเราก็ดูลมหรือโปรยการพุโทโธได้เราก็ไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้คำถามจากคุณมุกดาโอปาติกะเป็นดวงวิญญาณจำพวกไหนคะอันนี้ไปถามกูเก้าดูดีกว่าว่าเราไม่ค่อยถนัดเรื่องเรื่องชื่ออะไรต่างๆคำถามจากคุณไฟมินิตข้อแรกจะเลือกฝึกกายคตาสติอย่างไรให้สอดคล้องกับสติปฐานสี่ครับ กายกตาสติก็อยู่ในสติปัฏฐานสี่เป็นเป็นอยู่ในใ น, ในภาคของร่างกาย <S <S 1> <S 1> การจเจริญสติด้วยการใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติก็ทําได้หลักด้วยการดูอิริยาบทต่างๆของร่างกายตั้งแต่เติ่นขึ้นมาพอลืมตาก็ดูว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในอิริยาบทไหนแล้วพอร่างกายเปลี่ยนเอริยาบทก็ต้องรู้ทันที ว, นว่าตอนนี้นอนอยู่กำลังจะลุกขึ้นแล้วน ะ, ะกำลังนั่งแล้วนะ กำลังยืนนั่นนะกำลังเดินนั่นนะอันนี้ต้องมีสติคือต้องรู้อยู่กับทุกิริยาบทของการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลาร่างกายทําอะไรก็ต้องรู้ว่ากําลังทําอยู่สิ่งนั้นอยู่สิ่งเดียวไม่ให้ไปรู้กับเรื่องอื่น mm hmm. เช่นกําลังแปลงฟันอยู่ก็ให้อยู่กับการแปลงฟันอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้นี่คือเรียกว่ากายกัตตาสติอยู่ในสติปัฏฐานสีคือกายเวทนาจิตธรรม ข้อสองการเดินจงกรมสามารถดูลมหายใจให้เป็นอานาปานาสติแทนที่จะเป็นการดูการเคลื่อนไหวของเท้าได้ไหมครับได้ถ้าเราคิดว่าเราสามารถดูลมได้แต่การดูลมนี่จะดูง่ายดูชัดก็ตอนที่เวลานั่งอยู่เฉยๆเพราะว่าลมนี่เป็นของละเอียดและเวลาที่เราทาอะไรนี้จิตมันจะหยาบมันจะดูลมได้ยาก แต่ถ้าเราชํานาญกับการดูลมแล้วเราสามารถดูลมได้ใ น, ในทุกริยาบทแล้วก็ดูลมไปได้แทนที่จะดูร่างกายแล้วก็ดูลมหายใจไปแทนก็ได้เหมือนกันข้อสามเมื่อจิตถึงอุเบกขาหมายถึงการเรียกว่าได้ฌานสี่ไหมครับตามหลักของอพระคัมภีร์ท่านก็แสดงว่าอย่างนั้นถ้าจิตเข้าถึงฌานสี่ก็จะเหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่เอกขคตารมคือสักแต่ว่ารู คำถามจากคุณละถาถ้าในกรณีเป็นผู้หญิงบวชพระไม่ได้ในการยึดอุเบกขาสละรั์ภาวะการปัจจุบันเราต้องมีรัพ์เพื่อเลี้ยงชีพมีรั์นิดหน่อยตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วและไม่มีไรายได้อื่นใดตัวคนเดียวขอรบกวนพระอาจารย์แนะนำด้วยถ้าเราถ้าเราต้องการปฏิบัติตามที่พระอาจารย์แนะนำมา ก็มีซั์ไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายได้อย่างที่ได้แสดงเทศไว้ในวันนี้ว่าร่างกายนี้เราเป็นเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเราที่เราจะต้องดูแลรักษาเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายนี้มาสร้างความสงบทางใจกันแต่ถ้าเราได้ความสงบทางใจแล้วเราจะดูแลก็ได้ไม่ดูแลก็ได้เหมือนกับว่าเราข้าบนั่งเรือข้ามฟากไปแล้วถึงฟากฟาก ภาคที่เราต้องไปแล้วจะเก็บเรือไว้หรือไม่เก็บเรือไว้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเรายังอยู่กลางกลางน้ำกลางแม่น้ำอยู่ก็อย่าเพิ่ง อ, อย่าเพิ่งทิ้งเรือเพราะถ้าทิ้งเรือเราก็ต้องไหวไม่มีเรือนั่งแต่ในร่างกายถ้ายังไม่หลุดพ้นยังไม่ถึงพระนิพพานก็จำเป็นที่จะต้องดูแลมันไปเพื่อเราจะได้ใช้ร่างกายนี้มาเป็นเครื่องมือในการที่จะพาให้เราเข้าสู่พระนิพพานไป แต่พอเราเข้าถึงพระนิพพานแล้วร่างกายเราจะดูแลก็ได้ไม่ดูแลก็ได้ดูแลก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นมากกว่าเป็นประโยชน์กับเราเพราะเราก็จะได้ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือสั่งสอนผู้อื่นให้ได้ไปถึงพระนิพพานต่อไปถ้าเราไม่ดูแลร่างกายแล้วเกิดตายไปวันนี้ก็เราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะสอนผู้ <cellphone> ผ BRUNO อื่นผู้อื่นก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากร่างกายของเราจากคําสอนของเรา ในขณะที่เรายังไปไม่ถึงพระนิพพานเราก็ต้องเลี้ยงดูร่างกายของเราถ้าเราไม่เป็นนักบวชเราก็ต้องมีเงินทองไว้สําหรับใช้ใจ่ายในเรื่องของปัจจัยสี่ถ้าใช้ใจ่ายเพื่อปัจจัยสี่และใช้แบบประหยัดมัธยัสมีเหตุมีผลมีประมาณนี้ไม่เป็นกิเลสแต่ถ้าใช้แบบจู้จี้จุกจิกต้องเลือกกินอาหารชนิดนั้นกินอาหารชนิดนี้เสื้อผ้าสวมใส่ต้องเป็นผ้าแพ่ผ้าไหมหรืออะไรอย่างนี้ อย่างนี้ยังเป็นกิลเลสอยู่ต้องแบบนักบวชนี้ต้องอยู่แบบแบบขอทานใช้ของถูกๆผ้าถูกๆผ้าแพงๆไม่เอายิ่งเป็นผ้าเก่าผ้าปะได้ยิ่งดีอาหารก็ไม่ต้องวิจิตพิสดารตามมีตามเกิดถ้ามีคนทําให้ก็บอกเขาทามาตามตามศรัทธาก็อยากจะให้เรากินอะไรก็ทำมาคือเอาความมากน้อยสันโดษ มาเป็นหลักยึดในการใช้ปัจจัยสี่ก็จะไม่เป็นกิเลสถ้าใช้หลักจู้ที่จุกจิเกเลือกสิ่งนู่นเลือกสิ่งนี้ชอบสิ่งนั้นไม่ชอบสิ่งนี้อันนี้ก็ยังเป็นกิเลสได้แล้วเงินทองที่มีมันก็จะมาเป็นปัญหาเป็นโทษกับเราได้เพราะเราจะไปใช้ตามความอยากถึงแม้ว่าจะใช้เพื่อปัจจัยสี่แต่มันมีความอยากแฝงเข้ามาด้วยดัย่งนั้นก็ต้องระมัดระวังถ้ายัางต้องใช้เงินทอง ถึงแม้ว่าจะซื้อปัจจัยสี่ก็ตามก็ต้องซื้อแบบมีเหตุมีผลมีประมาณและพยายามให้มันถูกที่สุดน้อยที่สุดมากน้อยหรือไม่เช่นนั้นก็ตามมีตามเกิดคำถามจากคุณธิดาเคยมีประสบการณ์เดินอยู่คนเดียวในที่ทำงา น, แ ล, น, น, นแล้วเหมือนเดินเข้าไปในบรรยากาศที่เปลี่ยนไปด้วยความรักรู้สึกปิติ รับรู้ว่าต้นไม้บริเวณนั้นเหมือนมีชีวิตและรู้สึกหายใจว่าจะและรู้สึกใจหายว่าจะจากโลกนี้ไปและอีกหนึ่งสัปดาห์ก็ไปทำงานใหม่ไปอยู่ที่ทำงานใหม่ครั้งที่สองห่างจากครั้งแรกห้าปีขณะเดินในที่ทำงานทางกว้างหกเมตรพอเดินสวนกับลูกน้องซึ่งเดินอยู่อีกฝากรู้สึกเหมือนเดินชนสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างจัง จึงสงสัยว่าลูกน้องเป็นอะไรปรากฏว่าเขามีปัญหาในการทำงานจริงๆแต่ไม่มีใครกล้ามาบอกดิฉันจนกระทั่งไปค้นพบด้วยตนเองและแก้ปัญหาได้ทันการดิฉันไม่เคยฝึกนั่งสมาธิเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรคะก็มันเป็นความสามารถพิเศษที่มีติดมากับเราเพราะในอดีตชาตินั้นเราอาจจะเคยฝึกฝนวิชาอะไรต่างๆมา แล้วมันก็จะกลายเป็นอของแถมติดมากับใจเราบางคนก็มีความสามารถพิเศษในการอ่านความคิดของผู้อื่นได้บางคนก็มีความสามารถในการติดต่อกับกายทิพย์ร่างทิพย์ต่างๆได้บางคนก็สามารถเห็นสิ่งที่ตาธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได้อันนี้มันเป็นเรื่องของวาสนาที่เราได้อบรมบม่ม สร้างกันขึ้นมาเพราะในอดีตตาชาเราอาจจะไปอยู่กับคนที่เขามีวิชาความรู้เหล่านี้ก็ได้แล้วเขาก็จะสอนเราแล้วเราฝึกตามทําตามที่เขาสอนเราก็จะได้วิชานี้ติดตัวมากับเราและวิชาต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการหลุดพ้นไม่เป็นประโยชน์ต่อการไปถึงพระนิพพานถ้าเราไปติดแล้วไปหลงกับมันก็จะกลายเป็นนิวร์กลายเป็นอุปสรรคไปได้ ยิ่งถ้าเรายังถ้าเราต้องการปฏิบัติเพื่อพระนิพพานแล้วเรามีความรู้ความสามารถพิเศษเหล่านี้อย่าไปสนใจอย่าเพิ่งเอาไปเอามาใช้อย่าเพิ่งไปเกี่ยวข้องกับมันเอาวางไว้เฉยๆก่อนเอามาทุ่มเทกับการสร้างความสงบให้กับใจก่อนกําจัดตัญหาความอยากให้หมดไปให้ได้ก่อนพอหมดแล้วทีนี้เราจะเอามาใช้ก็ได้ พราะเราจะมีปัญญาที่จะรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ให้เกิดโทษตามมาได้อย่างพระพุทธเจ้ากับพระโมคคัลลานะท่านก็มีอภินยามีความสามารถต่างๆพิเศษแต่ในขณะที่ทรงบำเพ็ญ น, นี้ท่านไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องไม่ใช้สิ่งเหล่านี้เลยเพราะมันไม่ได้เป็นเครื่องมือในการกำจัดตัณหาความอยากในการทำใจให้หลุดพ้นได้นะแต่พอหลังจากที่ใจหลุดพ้นแล้วบางครั้งท่านก็ใช้อภิญญาเหล่านี้มาใช้ ทำประโยชน์เช่นการเลงยานของพระพุทธเจ้าในแต่ละวันเพื่อจะไปดูว่าใจของใครคนไหนพร้อมที่จะรับธรรมะในในวันนั้นได้ท่านก็มุ่งไปหาบุคคลคนนั้นนี่การใช้อพยญาความสามารถพิเศษเพื่อทำประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นต่อไปหลังจากที่ต น, นเองได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วคำถามจากคุณบ้านชมเอาประกอบอาชีพเป็นนายหน้าขายฝาก ถือว่าผิดศีลหรือเบียดเบียนไหมคะไม่ผิดศีลแต่อย่างใดถ้าเราทําด้วยความซื่อสัตด์สิจริ์ไม่โกหกหลอกลวงคําถามจากคุณยุทธนาข้อแรกผมกําหนดพุทโธตามลมหายใจเข้าออกพยายามไม่ให้เผลอเวลาจะนอนก็จะกําหนดพุทโธไปด้วยแต่ระยะหลังกําหนดแล้วทําให้นอนไม่หลับจิตจะคอยพะวงแต่กําหนดพุทโธเวลานอนมีความรู้สึกว่าใจไม่หลับเลยทั้งคืน ใจจะฟุ้งตลอดเป็นติดต่อกันหลายวันทำให้ต้องใช้ยานอนหลับจากหมอเพราะร่างกายเพลียมากจะมีวิธีแก้อย่างไรครับที่ใจไม่สงบเพราะไม่ใช่ว่าใช้สติเพราะมันไม่มีสติมากกว่าจะมีสติในเบื้องต้นพุทโธสองคำแล้วทีนี้ก็ปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันถึงไม่สงบถ้ามันอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆดูลมไปเรื่อยๆเดี๋ยวห้านาทีมันก็สงบมันก็หลับได้ งั้นการที่มันอนไม่หลับนี้ไม่ใช่เพราะพุทธโธหรือการดูลมหายใจแต่การไม่ได้ดูพุทธโธไม่ได้ดูลมหายใจอย่างต่อเนื่องดูเพียงระยะแรกๆแล้วมันก็เผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้และทำให้ใจฟุ้งซ่านขึ้นมาข้อสองในพุทธโอว่าสามเดือนก่อนปรินิพานมีตอนหนึ่งระบุว่าดูก่อนกาม เราได้เห็นต้นเขาของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำริคำนึงถึงนั่นเองเราจะไม่ดำริถึงเจ้าอีกด้วยประการชนนี้กามเอย๋ยเจ้าจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้ขอพระอาจารย์โปรดอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับคำว่ากรรมก็คือกรรมคุณทั้งห้ารูปเสียงกลิ่นรสมันเกิดขึ้นเพราะเราไปคิดถึงมันเนี่ยถ้าเราไปคิดถึงมันปั๊บความอยากที่จะเสพมันก็เกิดขึ้นมา แต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะหยุดการดำรินี้ได้เพราะเราจะรู้ว่าการดเริถึงกามนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราสร้างภพชาติให้กับเรานี่คือปัญญาถ้าเรายังไม่มีปัญญาเราก็ต้องใช้สติไปก่อนคือพอจะคิดถึงกามก็ต้องหยุดมันให้คิดถึงพุทธโธแทนหรือให้คิดถึงอสุภะแทนอันนี้มันก็จะเป็นการหยุดการดำริถึงกามได้ เมื่อไม่มีการนําเรดถึงการการที่จะกลับมาเกิดก็จะไม่มีข้อ3เวลาเกิดความกลัวขึ้นในจิตใจเช่นกลัวตายให้ละลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ควรละลึกแบบใดแง่มุมใดครับอย่างไหนก็ได้ที่ทําให้ใจเราไม่ไปคิดถึงสิ่งที่ทําให้เรากลัวเช่นถ้าเรากลัวผีแล้วคิดว่าผีจะมาบีบคอเรา ก็ให้เราคิดถึงพระพุทธเจ้าจะสวดอิติปิโสไปก็ได้จะบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก็ได้จะสวดบทธรรมคุณไปก็ได้สังฆคุณก็ได้หรือจะทั้งพุทธโธธรรมโมสังโฆไปก็ได้ข้อสําคัญก็คืออย่าให้ใจมีโอกาสไปคิดถึงผีก็แล้วกันพอเราไม่คิดถึงผีไปแล้วอยู่กับพุทธโธธรรมโมสังโฆไปสักระยะหนึ่งเรื่องของผีก็จะหายไปความกลัวก็จะหายไปคําถามเจ้าคุณนัดลภพาร คือรู้รู้สึกสับสนว่าจะปฏิบัติแนวไหนดีเคยไปปฏิบัติที่ยุวพุทธิกาสมาคมเขาสอนยุบหน่อบ้องหนอและให้กําหนดอิริยาบถใหญ่และย่อยพอไปปฏิบัติที่วัดแห่งหนึ่งให้ดูลมหายใจเข้าออกแล้วเคยปฏิบัติอีกที่ให้ภาวนาพุโทโธหนูเลยสับสนว่าควรปฏิบัติแบบไหนดีคะก็ลองดูเอาวันอะไรแบบก็แล้วกันวันนี้ลองแบบนี้ดูพรุ่งนี้ลองอีกแบบหนึ่ง แล้วก็มาเปรียบเทียบดูว่าแบบไหนจะดีกว่ากันเหมือนกับรับประทานอาหารมีสามอย่างาวันนี้ก็ลองกินอันนี้ดูว่าดีไหมถ้าไม่ดีเอาพวกนี้ลองอีกแบบนึงกินอีกแบบหนึ่งดีไหมกินอีกแบบแล้ววันต่อไป ก, ก็กินอีกแบบหนึ่งดูแล้วมาที่เปรียบเทียบกันดูว่าแบบไหนจะดีที่สุดสำหรับเราเราก็เลือกเอาแบบนั้นไปคำถามจากคุณยุย้ยการเจริญปัญญาสามารถทำในอิริยาบถอื่น นอกจากนั่งสมาธิได้ไหมคะเช่นเวลาเดินจงกรมการเจริญปัญญานี้ต้องเจริญเวลาออกจากสมาธิมาแล้วเท่านั้นถ้ายังอยู่ในสมาธิจิตไม่คิดปรุงแต่งเจริญปัญญาไม่ได้เพราะการเจริญปัญญานี้ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งเพียงแต่ว่าบังคับให้คิดไปในทางปัญญาในทางความจริงไม่ให้คิดไปในทางความหลงในทางความอยากเห็นความคิดนี้สามารถคิดได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในท่าใด ดานยืนนั่งนอนนี้คิดได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาที่จิตเข้าไปในสมาธิท่านั้นถึงจะไม่สามารถคิดในทางปัญญาได้คำถามจากคุณต้อยตาการป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายเช่นมะเร็งแล้วแจ้งแพทย์ให้ฉีดยายให้เสียชีวิตอย่างสงบบาปหรือไม่คะถือเป็นการฆ่าตัวตายหรือไม่คะก็เป็นการฆ่าตัวตายถ้าเราปล่อยให้มันตายเองก็จะไม่บาป ถ้าเราสั่งให้มันตายเนี่ยบาปเพราะเกิดจากตัณหาความอยากอยากจะหนีจากความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายอันนี้เป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่ให้มันความอยากไม่ให้มันทุกทรมานจากความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะทําให้ไปหนีจากร่างกาย น, นี้ไปหาร่างกายอันใหม่ก็ไปเกิดใหม่อยู่ดีงนั้นก็ต้องปล่อยให้มัน ตายไปตามธรรมชาติของมันถ้ามันยังไม่ตายก็ปล่อยมันอยู่ไปถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดถ้าไม่อยากจะมีความอยากก็ต้องเฉยๆสักแต่ว่ารู้ใจต้องเป็นอุเบกขาอาจจะจากความรักอาจจะจากความชังในร่างกายการที่เราอยากจะฆ่ามันก็แสดงว่าเรามีความชังในร่างกายไม่ชอบร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็จะเป็นตันหาที่จะทาให้เราไปหาร่างกายอันใหม่ โดยการที่ไม่อยากตายมันก็เป็นตันหาอยากจะติดอยู่กับร่างกายอันนี้เพอร่างกายนี้ตายไปมันก็ไปหาร่างกายอันใหม่อีกเพราะมันยังอยากจะมีร่างกายอยู่นั้นความอยากทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นโทษทั้งนั้นอยากตายก็เป็นโทษอยากไม่ตายก็เป็นโทษต้องอยู่ระหว่างความอยากทั้งสองอย่างนี้คือเฉยๆตายก็ได้อยู่ก็ได้ถ้าตอนนี้ยังอยู่ก็อยู่ไปถึงแม้ว่ามันจะเจ็บไายได้ป่วย เจ็บปวดขนาดไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าใจเป็นอุเบกขาแล้วมันจะไม่ทรมานเหมือนกับใจที่ไม่มีอุเบกขาคำถามจากคุณสายทิพย์ข้อแรกคําว่านั่งสมาธิจนสงบหมายถึงอะไรคะเช่นนั่งแล้วจิตไม่เสศายไปข้างนอกนั่งฟังธรรมแล้วจิตอยู่ที่คําสอนแบบนี้ถือว่าจิตสงบไหมคะก็ ส, บสงบระดับหนึ่งคือจิตตั้งมั่นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใจยังไม่สงบเต็มที่ถ้าสงบเต็มที่ใจต้องต้องเนิ่งเป็นอุเบกขาไม่มีความรู้สึกต่อต้านหรือมีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่ยังสัมผัสรับรูบร้อยู่เช่นรูปเสียงกลิ่นรสหรือว่ารวมลงไปแล้วหายรูปเสียงกลิ่นรสนี่หายไปหมดเลยอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นความสงบอย่างแท้จริง ข้อสองการที่เราชอบนั่งสมาธิแต่ไม่ค่อยเดินจงกรมมีข้อเสียอย่างไรบ้างคะคือมันอยู่ที่ว่าการนั่งสมาธิของเรานี้มากน้อยเพียงไรถ้าเรานั่งเพียงแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราต้องนั่งทั้งวันทั้งคืนนี้มันอาจจะมีปัญหาต่อร่างกายได้เพราะร่างกายที่ต้องมีการเปลี่ยนเนื้อยาบน เพื่อที่จะได้ยืดเส้นยืดสายเพื่อจะได้รักษาร่างกายไม่ให้อาภาษไม่ให้พิกรพิการไปเพราะการอยู่ในอิระยะบทใดระยะหนึ่งเป็นระยะเวลาอันยาวนานนี้จะทำให้ร่างกายนี้พิกรพิการไปได้ดังนั้นถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติเพียงแค่วันละชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ การจะนั่งสมาธิอย่างเดียวนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็ลุกไปเดินไปทำขนมไปกินขนมไปเที่ยวไปได้อะไรของเราแต่ถ้าเราปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนระยาบวหลังจากนั่งเราก็ต้องลุกขึ้นมาเดินจงกรมหลังจากเดินจงกรมก็กลับมานั่งใหม่แล้วจากนั่งก็ลุกขึ้นมายืนใหม่ยืนแล้วเมื่อถึงเวลาเมื่ออยากจะพักผ่อนหลับนอนก็นอนพักเย มันต้องมีการเปลี่ยนริยาบทให้มันสมดุลกันเพื่อที่จะได้รักษาร่างกายใ ห, ให้ให้สมบูรณ์ให้สามารถเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการปฏิบัติให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้ดังนั้นถ้าเราปฏิบัติเต็มรูปแบบเราก็ต้องเปลี่ยนนิรยาบทแต่ถ้าเราปฏิบัติแค่วันละชั่วโมงสองชั่วโมงนี้จะนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวก็ไม่เป็นปัญหาอะไร คำถามจากคุณเจจุงข้อแรกหลายครั้งที่ตื่นขึ้นมาจิตใจจะโหดหู่หรือเบื่อเป็นเพราะอะไรคะก็กิเลสน่นะตั้หาความอยากตื่นขึ้นมาก็มาเจอของดัง้งของเดิมของของเบื่อหน่ายมันก็เบื่อขึ้นมาถ้ามันตื่นขึ้นมาแล้วเจอเงินกองกองอยู่ข้างหน้ามันก็หายเบื่อทันทีข้อสองดิฉันเหมือนไม่ยอมรับตัวเองว่าเราต้องแก่ คงเพราะนิสสนิทกับรุ่นน้องที่ห่างกันเยอะพอคิดจิตก็ตกไม่อยากคิด ต, ตกฟังธรรมะอ่านธรรมะเพื่อให้ตัวเองคิดได้แต่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างควรทําอย่างไรดีคะคือถ้าเราคิดถึงความแก่แล้วเรามีอาการไม่ดีแสดงว่ากิเลส ต, ต่อต้านมากกิเลสหนาบ้างหนามากกิเลสไม่ชอบความแก่พอคิดถึงความแก่แล้วจะาการหดหูขึ้นมา สิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องฉีดยาสลบให้กับกิเลสบ้างคือทำใจให้สงบบ้างเพราะถ้าใจสงบแล้วกิเลสก็จะเบาบางลงไปพอเบาบางลงไปพอเราไปคิดถึงความแก่ก็จะไม่รู้สึกขอหูใจแล้วเราจะยอมรับความแก่ได้ต่อไปเพราะว่าเราจะรู้ว่าความแก่ไม่ได้เป็นปัญหาตัวที่เป็นปัญหาก็คือกิเลสคือความไม่อยากแก่ งั้นถ้าเราทำใจให้สงบลดกำลังของความอยากไม่แก่ให้มันเบาลงไปพอเราลกถึงความแก่เราจะไม่รู้สึกโขดหูใจแล้วเราก็จะสามารถยอมรับความแก่ได้งั้นเราต้องมีสมาธิก่อนถึงจะเจริญปัญญาได้ปัญญาก็คือการราลกถึงความแก่นี่เรียกว่าปัญญาเาลกถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยลกถึงความตายนี้เป็นปัญญาเพราะเป็นความจริง แต่ใจของเรานี้มันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปลอมมันไม่ยอมรับความจริงตัวที่ไม่ยอมรับความจริงก็คือกิเลสมันชอบของปลอมมันชอบคิดว่าร่างกายนี้จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอไปคิดถึงปับ๊บมันก็จะเกิดความหดหู่ใจขึ้นมาดังนั้นก่อนที่เราจะมองความจริงได้เราจรึงต้องทำใจให้สงบก่อนเพราะเวลาใจสงบกาลังของกิเลสปัญหานี้มันจะถูกกดเอาไว้ มันไม่ตายแต่มันจะถูกทับเอาไว้ชั่วคราวแล้วมันจะทำให้เราสามารถมองเห็นความจริงได้ว่าการแก่เจ็บตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาต้องเกิดขึ้นกับร่างกายของทุกคนแต่เราผู้ที่ดูร่างกายนี้เราไม่ได้เป็นร่างกายเราคือผู้รู้ผู้มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราจะสามารถแยกร่างกายออกจากใจของเราได้และเราจะสามารถรับความแจ ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ด้วยอํานาจของความสงบที่เราได้จากสมาธินี้คำถามจากคุณสมพิษพอมาปฏิบัติธรรมทําไมอารมณ์อ่อนไหวง่ายเช่นสวดมนต์ที่มีคํา pues. แปล ก, ก็ซึ้งแล้วร้องไห้เราต้องละอารมณ์นี้ไหมคะ <ท lemons. S 1> เหมือนที่ต้องละอารมณ์ต่างๆก็อย <c oughs> ่างที่พูดน่ยอารมณ์ต่างๆมันก็เกิดจากกิเลสตัณหาความอยาก ที่จะไปหาความสุขทางตาหูจะบุกเล่นกายพอให้มาสวดมนต์พอใหมานั่งสมาธิมันก็จะเกิดอารมณ์หดหูขึ้นมาเราต้องอย่าไปสนใจมันต้องคิดว่ามันเป็นนิวรณ์เป็นกามฉันทะเป็นผลที่เกิดจากการมีความอยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจะบุกเล่นกายเราก็อย่าไปสนใจมันพยายามบริกรรมพุทโธสร้างสติขึ้นมาทําใจให้สงบ ถ้าใจสงบแล้วอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไปหมดไปหรื อ, อ ก, กี่ข้อเนะี่พี่ว่าพอเอาหมดพอดีเหรอเพราะว่าถ้ายังไม่หมดก็อาจจะเอาไว้พรุ่งนี้เพราะคนฟังอาจจะเหนื่อยอาจจะเบื่อแล้วก็ได้นีมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมถ้าไม่มีก็จะได้ปิดประชุมนธะทรมาจัดสารเปิดให้เรา